ธรรมานุสติธรรมยังธรรมานุสตินัยังกโรมาเซสวาคาตัวภาควัตรธรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคจาตราัสไว้ดีแล้วสันิทติกโก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 โอปัญิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้